อกินเจ้านังอนาดานังเอตังดีปังอนะปรังติบัดนี้อธาธรรมภาพจะได้กล่าวรรมีกาถาปันนาศาสนาธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มพูลกุศลบุญนราสีสัมมาปฏิบัติแด่ญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาสนิบาตประชุมพร้อมเปรียงกันในโอกาสวันนี้ถือตามธรรมเนียมประเพณีหรืออะไรก็ได้ที่เป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศล เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าเทศกาลอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งสมมติฐานไว้มีหลายเทศกาลวันเข้าพรรษาวันสาดวันออกพรรษาวันปีใหม่ ว, วันสงกรานหรือวันอะไรที่กำหนดไว้ ก็เพื่อให้เกิดความพร้อมเปรียงกันและเตือนกระแสจิตกระแสใจของเราให้หันมาสู่กระแสบุญกุศลแต่ทั้งหลายหน่วยงานของเราจจรกวาตีโอตีน้นเป็นงานใหญ่หน่วยงานที่ใหญ่หรือองค์กรของรัฐที่ใหญ่มากเพราะมีพนักงาน หลายพันท่านอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ทั่วประเทศแล้วก็ได้มีผู้ที่ฉลาดจัดให้เมนอกจากจะทำงานในอาชีพของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนอกจากจะเป็นพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคทานทั่วทั่วไปแล้ว ยังไม่จัดให้มีชมรมพุทธศาสนาหรือชมรมนักบุญนักสแสวงบุญอย่างไรก็สุดแท้เป็นกรณีพิเศษในหน่วยงาน น, านั้นๆด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นชมรมพุทธศาสตร์แห่งทีโอทีของเราย่อยๆออกมาย่อยเทย่าไรญาติโยมก็ไม่เป็นจำนวนมาก ท่านทั้งหลายมุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่งพระศาสนาได้รัตนาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายกรรมฐานว่ายสมาธิปัญญาให้มาปัญญายมาอบรมเป็นประจำท่านเหล่านั้นล้วนมีความรู้ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัตินำจิตใจวิญญาณของท่านทั้งหลายให้เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาแต่ละองค์ล้วนแต่ชวนไปสวรรค์ไปนิพพานให้เกิดสมาธิขั้นสูงต่อๆไปก็มากมาย เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่ออยากจะย้อนกลับมากล่าวย้อนหลังแสดงธรรมย้อนหลังเพื่อเรียบเรียงข้อควรจำควรรู้ควรคิดที่เราผ่านพ้นมาซสียก่อนเราการผ่านพ้นมาของพวกเรานั้นก็มาโดยลำดับ ล้วนแต่ควังกระแสธรรม ท, ที่เป็นเบื้องบนเบื้องสูงอาจจะลืมเข้าใจประเพณีรธรรมเนียมหรือความหมายบางอย่างประยานั้นอาจจะมาเทศส่วนมากจะขอกล่าวทุกทุกแห่งทุกสถาบันที่นีมนก็รับทราบว่าทุกท่านสนใจ เรื่องสมาธิปัญญาก็อนานโมธนาแต่ก็บางอย่างก็หน้าจะทำความเข้าใจขึ้นต้นย้อนหลังให้ละเอียดละ อ, อเสียก่อนอย่างเช่นวันนี้ที่ไหนก็แล้วแต่ทำไมเวลาจะาฟังเทศก็รับสินหา นอกจากบูชารัตนะตรายหังสมานอบน้อมพระพุทธบระประสง์แล้วสมาทานสินห้าเสก่อนเลยจะทำบุญตักบาทในหน่วยงานพิธีต่างๆก็รับสินห้าโดยเฉพาะขณะนี้ก็มีการรับสินห้าเสก่อนก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาหรือธรรมดา ปกติของคนเรานั้นอย่างน้อยจะต้องตั้งโยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์คือความไม่ผิดห้าอย่างหรือมีปกติห้าอย่างสิ่ห้าไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติมีประจําโลกมาแล้วหลายศาสตร์หลายยุคหลาย ศาสดาที่สั่งสอนมาแล้วก็ทั่วทั่วไปจะอยู่บนพื้นฐานนี้สก่อนหมายความว่าฐานะของมนุษย์เราก็จะไม่ปกติธรรมดาแต่พระองค์ยกมาเป็นศีลโดยยึดถือตามลำดับศีลห้าสำหรับบาศกบาซิกาทั่วไปศีลแปดศีลสิบ ส, สำหรับ วายผู้ตั้งใจบวชจนกระทั่งศสองรยีสเจกับศนสามร้อยสิเว็ดของวิสุนีนั่นคือผู้ต้องการละเอียดอ่อนมากขึ้นมากขึ้นส่วนอย่างน้อยท่านทั้งหลายอย่านึกว่าท่านไม่จำเป็นที่จะมีเศนห้าเพราะอยู่เป็นกระหัตวิสัยที่แท้มีหรือไม่มีแต่ว่า สภาพแห่งความเป็นมนุษย์จะต้องมีปกติห้าอย่างอย่างน้อยหยกพระองค์จึงถือว่าอย่างที่มีการประกาศหมู่บ้านศิลห้าศิลห้ารายเนี้ยก็ประกาศไปเตะแต่ที่แท้เป็นพื้นฐานมานานแล้วท่านนังลายถ้าพูดว่าศิลแปลว่าปกติหรือแปลว่าธรรมดาหรือแปลว่า ความละเอียดอ่อนของมนุษย์อย่างน้อยมนุษยส์สัตว์ที่เกิดบนโลกนี้ท่านเรียกว่าติระชายโยนิกำเนิดติระฉานกับมนุษย์เรานั้นเป็นมนุษย์ที่พ้นจากกำเนิดเหล่านั้นมาแล้วเือว่าเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติ สมบัติในความเป็นมนุษย์สวรรค์สมบัติสมบัติในความเป็นสวรรค์ น, นิพพานสมบัติสมบัติสูงสุดคือพระนิพพานมนุษย์สมบัติไม่ได้หมายความถึงว่ามนุษย์ร่ำรวยมีอำนาจวาสนามรดกทรัพย์มากก็ถูกต้องไม่เปิดดอกนั่นบุญกุศลของเขาโวนคำว่ามนุษย์สมบัติก็คือมีสมบัติได้เป็นถึงมนุษย์ ปฏิบัติดีทำบุญมากก็มีสมบัติเป็นถึง เ, เทพประดุษเทพธิดาบนสวรรค์ปฏิบัติจนหมดกิเลสะสวะก็เมนิพานสมบัติเข้าสู่พระนิพพาน ม, มีขั้นมาอย่างในหยกเพราะนั้นคำว่าเศษห้านั่นก็คือปกติของมนุษย์ไม่เรียกว่าศีลก็ได้เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์ ปกติของมนุษย์จะต้องตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยห้าอย่างรักษาปกติได้ธรรมดาของมนุษย์ต้องไม่ทุบไม่ตีเบียดเบียนกันให้บาดเจ็บให้เจ็บให้ตายธรรมดาของมนุษย์ต้องไม่หยิบยกเอาของที่คนอื่นเขาไม่ให้ธรรมดาของมนุษย์ ต้องไม่ลุ่งโลมิดในความรักความโหงแหนในชีวิตครอบครัวของผู้อื่นธรรมดาของมนุษย์ต้องพูดคําสัตย์คําจริงไม่หลอกลวงเป็นแนหย่ใส่เสียเครดิตธรรมดาของมนุษย์ต้องมีสติสมบูรณ์ไม่เป็นคนเมาไมายท่านนางลายลองพิจารณาดูมนุษย์ทั่วโลก มีปกติอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่ารักษาศิ่นก็ได้รักษาปกติหรือรธรรมดาก็ได้ถ้าแตกต่างจากนี้มันเสียหายสมบัติหรือปกติหรือธรรมดาของคนเรานั่นเองเราปกติของสิ่นห้าก็คือไม่ผิดอย่างน้อยห้าอย่างอา้าวถ้าใครผิดห้าอย่างก็ผิดปกติธรรมดาของคน ตูท่านไม่เคยขาดสิ่งห้าหมดดอกข้อใดข้อหนึ่งอย่างมากข้อสองข้อนอกนั้นก็ยังไม่อยู่อันนี้คือถ้าให้สะอาดเราเนี่แหละจะต้องมีปกติให้ครบให้ครบห้าอย่างไม่เป็นคนหลงลืมเมาหมายไม่เป็นคนโกหกโหลกกลวงไม่เป็นคนล่วงละเมิดความรักคนอื่นไม่เป็นคนเอาของที่เขาไม่ให้และ ไม่เป็นคนที่เบียดเบียนผู้อื่นบุคคลอื่นให้บาดเจ็บแม้กระทั่งตายนี่ก็คือธรรมดานั่นเองโยมรักษาธรรมดาและเราก็มีอยู่แล้วธรรมดานี้อ ย, อยู่ประเทศไหนชาติใดก็แล้วแต่แต่พระาศาสนาของเราท่านยกย่องอย่างนี้อา้าวท่านทั้งหลายปกติเนาะ เหตในเวลาจะฟังเทศหรือทำบุญต้องรับเศนห้าเก่อนก็เพื่อให้บุญแห่งการฟังเทศบริสุทธิ์ต้องการคนบริสุทธิ์อย่างน้อยมีเศษห้าบริสุทธิ์เมื่อรับศินจบก็รมีศษห้าบริสุทธิ์ผู้ที่จะฟังเทศขณะนี้ล้วนแต่เป็นคนสะอาด บริสุทธิ์ด้วยสินห้าและย่อมได้อานิสงส์มากแม้จะทำบุญใส่บาต ท, ทั่วๆไปหรือฟังสวดมนต์ก็ให้สินห้าเสก่อนก็เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวงบุญวงฟังเทศฟังธรรมนั้นล้วนเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่สินห้าขึ้นไปบุญหรือฝังเทศที่กำลังาำก็จะเพิ่มพูนกุศลเพิ่มมากจาก การบริสุทธิ์แห่งศีลห้าให้เข้าใจอย่าเดือดร้นนะอย่าเพิ่งภาวนานะย้อนหลังตัวนี้ดูเสก่อนให้พิจารณาแล้วจะทําความเข้าใจสักอย่างปกติของคนชาวพุทธทั่วไปมีปกติอย่างน้อยห้าอย่างคือศีลห้าปกติของพระ เดี๋ยวนี้ถ้าจะพูดแบบใช้ปัญญาให้โยมคิดเดี๋ยวนี้พวกเรามีศีลเสมอกันยยมกับอาตมาโยมกับพระเอาเถอะขณะนี้ไม่มีใครผิดอะไรโยมก็ไม่ผิดข้อใดข้อหนึ่งผ่านศีลห้ามาแล้ว พระเองก็ไม่ได้ผิดข้อใดข้อหนึ่งเจ้าพูดแบบชนชั้นปัญญาก็ได้ว่าต้นนี้เราบริสุทธิ์ด้วยศินห้าเท่ากันโดยไม่นับอดีตนะนับนับขณะนี้เป็นต้นไปนดียวถ้าเราไม่ปิดข้อใดพว้เราไม่ศินเสมอกันโยมไม่สินสองยี่สิบเจ็ดก็ไม่ผิดสามรอยก็ไม่ผิดเพราะไม่ได้ผิดข้อไหน ตั้งแต่สินห้าเป็นตนไปนี่คือความไม่ผิดเป็นตัวสินองค์สินเพราะฉะนั้นเพื่อให้บุญกุศลในการทำบุญมากขึ้นจึงต้องบริสุทธิ์เสียก่อนคือมีสินห้าบริสุทธิ์ไม่ผิดข้อใดข้อหนึ่งและที่พูดย้ำเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือว่าจะว่ามีติลน สองร้อยก็ไม่ผิดเพราะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งผิดจากอัตมาอัตมาก็ไม่มีข้อใดผิดจากโยมในขณะนี้นะแต่พูดขณะเอื่นไม่ว่านี่คือความคิดที่ท่านทั้งหลายควรพิจารณาเพราะนั้นจึงต้องอย่างน้อยจะฟังเทศฟังธรรมภาวนาหรือจะทำบุญต่อล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธ์ด้วยศีลห้า บุญกุศลนั้นก็พออพูนมากขึ้นนั่นเองในประเด็นหนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็อยากจะ ย, ย้อนอธิบายได้กล่าววัาแล้ววันนี้จะพูดยอ้อนอาญาติโยมเอาฟังเอ า, เอาข้อคิดขอ้อธรรมแล้วก็ข้อเปรียบอุ ป, ปมาต่างๆคำว่าสงกราน ทำไมจึงเรียกว่าสงกรานต์พวกประเทศชาติเราเอาวันขึ้นสิบเอาวันที่สิบสามเป็นวันสงกรานต์นั้นเอาตามธรรมเนียมพรามต่อมาเราก็ต้องการความเป็นสากลจงเอาวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ ถ้าตมเนียมเดิมของไทยเขียนเลาาอะไรแต่ในประมาณลังกาอินเดียก็ถือว่าวันที่สิบสามเป็นวันถลงมศุกก็คือว่าขึ้นปีใหม่เราก็ไม่ละระเบียบประเพณีแม้จะถือวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ตามท่านนังลายตมาก็คิดคิดไกลเข้าไปอีก พระพุทธเจ้าของเราประโงงเถือจันธรคติยมประสูดเดือนอะไรขึ้นกี่ข้าขึ้นสิบห้าขเดือนหกประสตูตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพานขึ้นสิบห้าขาเดือนหกนั้นได้ตรัสรู้และบัญญัติคณะสง์ ก็ใช้จันทรกติเดือนแปดแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดให้จำพรรษาสามเดือนสิ้นเดือนส1บอให้ออกพรรษาสิ้นเดือนส2บสองให้หมดงานกระถินเมื่อถือจันทรกติตามพระพุทธเจ้าปีใหม่ของเรา ส่งท้ายปีเก่านั้นคือแรมสิบห้าค่ำเดือนส2บสองขึ้นปีใหม่ของเราคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งไม่ใช่เดือนสามเดือนสองอย่ามกราคมเพราะพระพุทธองค์ทรงถือจันทรกติจันทรกตินี้แน่นอนกว่า เคยมมโยมสงสัยบ้างไหมโยมบางคนเขาเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบปดเป็นวันสิ้นเดือนกุมภาสี่ปีนะโยมจึงจะมีวันที่ยี่สิบเก้าครั้งหนึ่งสิ้นเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบเก้า คนที่เขาเกิดวันที่ยี่สบเกเขาเคยพันานาดีใจหรือไม่ดีใจไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันเกิดของเขาต้องสี่ปีจึงจะมีวันที่ย9สบเกกุมภาปันหรือถ้าเขาอยากจะทำบุญทุกปีบุญวันขึ้นปีใหม่ออุญวันครบรอบปี ก็จะต้องไม่มีนอกจากสี่ปีครั้งหนึ่งถ้าญาติโยมเคยคิดอย่างนี้บ้างอัตมาว่าง่ายนิดเดียวก็เรานับถือพุทธศาสนาเต็มอัตราเราก็นับถือจันทรคติตามพระพุทธเจ้าสิเราจะมีวันเกิดทุกปีทุกปีไม่มีขาดนั่นคือถือจันทรคติ คุณเกิดวันแรมกี่คำ่ำวันขึ้นกี่คำ่ำจำไว้สิมีทุกปีนั่นแหละไม่ไม่ขาดตกบกพร่องอยู่ถ้าใครอยากรู้ตัวนี้ก็ช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจให้ถือจันทรคติเกิดวันแรมกี่คำ่ำวันขึ้นกี่คำ่ำมีสม่ำเสมอทุกปีแต่ถ้าวันที่29่สิบกาุมภา จึงจะมีสี่ปี้างหนึ่งทีนี้คำว่าสงกรานนั้นเราก็ถือตามธรรมเนียมรามวันสงกรานเขาเล่านิทานให้ฟังว่าเหตุเกิดสงกรานเหตุเกิดอะไรก็ไม่อยากจะพูดอเยืนเดี๋ยวเกินไปตามตำนานเขาก็ว่าเท้าธรรมบาลกับ เท้มหาพรหมมาถามปัญหาพนันกันถ้าใครแพ้ก็ต้องอถูกฆ่ า, าบูชาถ้าใครชนะก็ถือว่าชนะไปคำถามว่าตอราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนตอนเอช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเย็น ข่กอนนอนราศีอยู่ที่ไหนเท้าธรรมบานเป็นคนฉลาดก็อวดถามกับเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมมาถามเท้าธรรมบานเท้าธรรมบานก็ตอบไม่ได้ก็สัญญาอีกเจ็ดวันถ้าตอบมาได้ก็จะถูกกฎกติกาที่ว่าต้องฆ่าบูชายัน ธรรมบาลก็ไม่สบายใจคิดไม่ออกแม้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็เลยหนีไปตายดาบหน้า อ, อน้นน้ไปก็ได้ระหว่างทางก็ไปนอนได้ต้นตาลารเย็นนกเอินซีถัวเมียวันพูดกันว่าทำยังไงพรุ่งนี้เราจะได้อะไรกินแล้วก็บอกว่านกอินซีฉลาด นกแต่ก่อนก็พูดไทยได้ถ้าแคมเนก็พูดแคมรได้ถ้าอังกฤษก็คงพูดอังกฤษได้ไอ้นนีนไทยเล่าก็ต้องพูดภาษาไทยได้ก็ถามแค่นี้แล้วก็ว่าจะได้กินเนื้อธรรมบานเพราะแพ้พรมระพรมอะระพรมก็จะตัดศีรษะถึงเราจะได้กินเนื้อ แล้วถามยังไงถามว่าเท้าสายคำ่ำราศีอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้เจ็ดวันแล้วแล้วก็่ายนกผู้เมียก็ถามว่าแล้วถ้าตอบไปถูกว่ายังไงตอบถูกก็เท้าเช้าราศีอยู่ทีอ่อยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่ อ, อก ตอนกลางคินราสีอยู่ที่เท้าก็จึงมีการปฏิบัติอตอนเช้าก็ล้างหน้าเพื่อให้มีราศีตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้า้วยกันทุกวันกลางวันหน้าร้อนอย่างไรต้องอาศัยน้ําเย็นหรือผ้าเย็นชุบหน้าชุบอกราศีจึงอยู่ที่อกตอนกลางคืนก่อนเข้าห้องนอนสมัยก่อนคงจะ ม, มีรองเท้า ต้องล้างเท้าซะก่อนจึงจะนอนแค่นี้ก็พอธรรมบาลรู้ก็ดีใจกลับบ้านเช้าขึ้นก็มาถามปัญหากันเมื่อเท้าธรรมบาลตอบได้ก็ชนะพระพรหมก็ไม่เสียสัก จ, จะยอมให้ตัดศรีรษะพรหมมีสีหน้ายมเมื่อตัดศรีรษะพรหมแล้วเอาไปทิ้งที่ไหน ทิ้งไม่ได้โลกนี้ทิ้งพรมซีหน้าไม่ได้เมื่อทิ้งไม่ได้ทำยังไงต้องมีผู้ส่งไว้พระเอญพระพรมท่านมีลูกสาวทั้งเจ็ดคนนางสาวอะไรบ้างอะไรบ้างมาอยากจะจารณยโยมสำหรับปีนี้มีลูกสาวชื่ อ, อนาง อรสเทวีราชสดเทวีเป็นผู้ส่งศีสะพระพรมไว้ลูกสาวของพระองค์ก็ส่งไว้อของพระพรมก็ส่งไว้แต่เป็นปริจนาเขาอาจารย์นีว่าถ้าเ้งไม่ได้เ้งไปบนแผ่นดินไฟจะไหม้ ก, กันในศีสะพระพรมนะเสียนพระพรม ทิ้งไปในมหาสมุทรมหาสมุทรก็จะแห้งทิ้งไปในอากาศอากาศก็จะไหม้ร้อนแห้งแง้งเป็นไฟกับไฟกันไปเพราะฉะนั้นห้ามเทงพรมเป็นอันขาดสงสารมนุษย์สัตว์ทั้งหลายจะอันตรายอา่ ลูกสาวของท่านทั้งเจ็ดคนจึงเปลี่ยนหน้ากันชื่อต่างๆเยอะแยะทั้งเจ็ดนั่นแหละแต่จำได้ไม่ไม่ตลอดสำหรับก็ปีนี้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ราก ส, สกเทวีท่งขีสุกรมาอย่างนั้นสรงสุกร อ, อย่าไปจำตามนั้นยวมากมายนั่นพวกโหรก็เก่งอาตมาก็อยากจะเปรียบเทียบจบ ปริศ น, นาถามว่าเหตุดังเรือศีสะพรมทิ้งไม่ได้ท่านทั้งหลายพรมในพระพุทธศาสนาก็คือพรมไปหารสี่อย่างศีสะหนึ่งหน้าหนึ่งเมตตาหน้าสองกรณาหน้าสามมุติตาหน้าสี่อุเบกขาเมตตากรณามุติตาเบกขา ขาดจากโลกนี้ไม่ได้แต่าบใดที่ขาดเมตตากรณาโลกนี้ก็จะไม่เป็นไฟเป็นเฟินแม้แต่คนมีเมตตากรณาเหลืออยู่หลายเปอร์เซ็นต์คนที่ขาดไม่กี่คนก็เป็นเหตุให้เราลงบากยากเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะเจริญพรในทราบ พ, พรหมวิหารสี่ เทท่านนึกว่าของง่ายง่ายธรรมดาธรรมดาแต่ที่แท้มันมีความหมายละเอียดทั้งหลายที่เราเกิดมาอยู่ได้ทุกวันนี้ผู้เป็นพระพรมที่แท้จริงของเราก็คือบิดามารดาเพราะบิดามารดานั้นท่านมีหน้าครบสี่หนึ่งน่ารักสอง น่าสงสารสาน่าเอ็นดูเศน่าสม่ำเสมอเคยเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาน่ารักคือเมตตาน่าสงสารคือการณาน่าเอ็นดูก็คือมุติตาเอ็นดูเราดีใจเมื่อเราได้ดีอุเบกขา ว่าวางใจเป็นกลางในบรรดาลูกทั้งหลายรักลูกสม่ำเสมอกันเอแม้จะเป็นถืออาท่านอาจจะถือว่าเป็นเรื่องง่ายเกินไปแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วมันก็ยังไม่แจ่มแจ้งทลาย ร, รอกเราจะนั้นขอโทษขอโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับท่านวันนี้ให้ทะลุหมดเมตตา นี่หน้าข้อที่หนึ่งเวลานั้นพระพรมทิ้งไม่ได้พรหมวิหารสี่เนี่ยเมตตากรุณาข้อหนึ่งข้อสองในในอนนวาตโกวาดรมตรีนั้นท่านบอกว่าเป็นธรรมของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องมีอ่พรหมวิหารสี่แต่พรหมวิหารสี่นั้นแม้จะธรมธรมดาธรรมดาแต่คนทรงได้ หรือไม่รักษาได้หรือไม่มีสมบูรณ์ใหมเพราะมีไม่สมบูรณ์นั่นแหละจึงมีการเดือดร้อนบ้างเบียดเบียนกันบ้างสุขสบายเยือกเย็นบ้างสลับสับซ้อนกันมาเอาเพียงแค่ว่าเมตตากะระณาเมตตาคือความรักกะระณาคือสองสารมุทิตา แปลตามศัพท์ก็พลอยเย็นดีด้วยแปลความหมายคือไม่อิจฉาอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางให้ได้คำว่าวางใจเป็นกลางท่านนึกว่าง่ายหรือโปรดทั้งใจฟังต่อไปเมตตากรณาอันนี้คือประจําใจมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไป สัตว์ทั้งหลายมันก็มีเมตตาการุณาเฉพาะลูกของมันแคบๆเลี้ยงดูลูกมันอย่างดีส่วนนุษย์นั้นขยายไม่เฉพาะรักแต่ลูกของตนคนอื่นก็เกรงใจหรือรู้จกักเฉลี่ยความรักของคนอื่นด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสารความรักกับความสงสาร ก็คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆท่านทั้งหลายท่านมีลูกน้อยเด็กด้อยเลือน้องสาวน้องชายที่กำลังสาเร็จศบได้ที่หนึ่งหรือลูกกำลังสุขสบายเยน็ยนๆทานอาหารเสร็จลูกก็เว่งกอดพ่อครั้งหนึ่งกอดแม่กอดพี่สาวแฮะแฮะรอ้องหัวเราะได้ เราก็สงสารเราก็มีความรักเราก็รักว่าเออลูกน้อยของเราเขาสบายดีลูกน้อยของเรากําลังมีความสุขลูกน้อยของเรากำลังนี่คือความรักหลั่งไหลมานี่ความรักแต่นี่ความสงสารหระก็คล้ายกันนั่นแหละก็เกิดอันนั้นแหละความรักตรงเมื่อลูกเราสุขสบายดังว่าส่วนความสงสาร ตอนเมื่อลูกเราตกทุกข์ได้ยากเจ็บ่ายได้ป่วยท่านทั้งหลายระหว่างที่เรารักลูกเราเกิดเจ็บเกิดป่วยอุ้มไปอุ้มมานอนบนบา่าหรือนั่งนอนครวนครางอยู่ความสงสารที่ท่านลงทุนลงแรงดูแลรักษาอย่างดีนั่นคือความหลังไหลแห่งความสงสาร เพราะฉะนั้นความรักกับความสงสารคู่กันก็จริงแต่แสดงออกในลักษณะไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะรักมากจึงสงสารมากเพราะสงสารมากจึงรักมากแต่ลักษณะของสงสารต่อเมื่อเห็นเขาคนที่เรารักสบายดีมีความหวังและสำเร็จเราก็พลื้มใจชื่นใจส่วนสงสาร โตเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากต้องโทษต้องความนั่นความสงสารก็จะเกิดขึ้นเพราะนั่นความรักความสงสารจึงเป็นหน้าของพระพรหมหน้าบิดามารดาหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ข้อที่สคือมุติตาก็ไม่ใช่เป็นของง่ายแสดงว่ามุติตาคือความพลอยยินดีอันนี้เพื่อป้องกัน อันนี้เกิดทุกต่ตอเราแล้วนะโยมถ้าเราไม่มีมุทิตามันก็มีได้เฉพาะคนที่เรารักเราสงสารถ้าคนที่เรารักเราสงสารมีความสำเร็จได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้สุขเราก็สบายใจมุทิตากับเขาด้วยแต่มุทิตานี้สำหรับเมื่อ บ, บุคคลอื่น ที่เป็นเพื่อนได้ตีเป็นคนที่ไม่ชญาติแต่เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมงานถ้าเขาได้ดิบได้ดียกตัวอย่างง่ายง่ายข้าราชการนี้จะมองเห็นง่ายท่านทัง้งหลายหน่วยงานของท่านปีนี้มีพนักงานสามร้อเจ็ดปดสิบคนก็ตามปีนี้หน่วยงานของเราจะได้ขึ้นสองขั้นเงินเดือนขึ้นสองขั้น เจ็ดแปดตำแหน่งแต่มีคนทำงานด้วยกันก็นับมากกว่านี้เกินจำนวนงานการของเราเรากำหนดตัวเรานี่แหละจะต้องได้สองขั้นคน น, น้นคนงานไม่เท่าไรแต่นี้พอได้ขึ้นมาแล้วไม่ใช่เราและเป็นคนอื่นยิ่งเป็นคนที่เราไม่ชอบด้วยยิ่งจะเป็นคนที่เรารักเราชอบความรู้สึกก็จะ แตกต่างกันเล็นิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีเออได้สองขั้นโดยที่ไม่ใช่เราตรงนี้แหละหมุติตาของท่านจะมีหรือเปล่าถ้าท่านไม่มีมุติตาคือพลอยเย็นดีกระเขาด้วยท่านก็จะเป็นทุกข์เหล่าเล่าเหวเป็นทุกข์เหลาเปล่ายิ่งคนที่ได้นั้นไม่ตรงกับอารมณ์หรืออะไร ไม่กินเส้นกับเรามาด้วยแล้วไอ้ความอิจฉาก็เกิดขึ้นมุทิตานั้นขจัดความอิจฉาความริษยาเนี่ยมันทําให้เกิดทุกข์ถ้าเรามุทิตาไม่ได้เราก็ทุกข์สมมุติว่าคนที่ว่านี่เขาเป็นคนสําเร็จเป็นคนได้และเผอิญเป็นคนที่เราเกลียดเราก็อิจฉาไม่สยองเราก็นอนเป็นทุกข์อยู่ส่วนเขาดีอกดีใจอ่า เลี้ยงอาหารการกินรำบงกันเครื่องเคินสนวกสบายเรามาเป็นทุกข์แทนเขาเรื่องอะไรเห็นชัดหรือยังราะฉะนั้นพุทธองค์จึงสอนว่าให้ปลูกฝังมุติตาหาเรื่องมาพิจารณาออบุญของเขาเราก็ไม่บุญในกรรมยังบางอยู่ เมื่อบุญของเขาได้เราก็ปล่อยเย็นดีนโมทนากับเขาถ้าจิตหลุดมาอย่างนี้ความทุกข์ก็น้อยอิจฉาก็น้อยอ่าความทุกข์ไม่มีแต่ถ้าประเอิญปล่อยให้ความอิจฉาไม่พอใจไม่เย็นดีด้วยไม่มีมุติตาใครเป็นคนทุกข์อยู่เรานั่นแหละเป็นคนทุกข์ เออถ้าคนที่เรารักก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นศัตรูเราด้วยก็ยิ่งแต่ทุกข์อยู่อันนี้คือมุทิตาสําหรับพลอยเย็นดีเพื่อให้เราเกิดทุกข์ในชีวิตประจําวันแต่นิเบขาความใจเป็นกลางวางเฉยไอวางเฉยนี้ต้องมีเหตุผลหยู่ไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากแต่ก็ของ ของยากนั่นแหละยมเราจะอ้างว่าสมมติว่าเราต้องอยู่กับเมตตากนาเห็นอกเห็นใจเพื่อนฝูงเด็กเล็กเด็กน้อยคนตกทุกข์ได้ยากก็มีเป็นประจำอยู่แล้วเมตตาเกิดขึ้นที่ใจยมแท่นี้เมื่อถึงเหตุการณ์ที่คนที่เรากำลังมีเมตตาได้ประสบความวิกัต เราต้องอยู่ที่อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางเออกำถึงแล้วหรือโทษทันถึงแล้วทำใจเป็นกลางจึงไม่ทุกข์เพราะทำใจเป็นกลางไปได้จึงทุกข์มันก็ไม่ใช่ง่ายนะอุเบกขานะ่อยวางใจเป็นกลางก็ไปเหมือนกับญาติของเราหรือคนที่เราครบนับเือ หรือบิดามันดาอันเป็นที่เคารพของเราท่านป่วยมากถึงขั้นโคม่าแล้วไม่อาจจะรักษาหายแล้วอันนี้เราอเบกขาไม่ได้มาตลอดแล้วต้องดูแลด้วยความรักความสงสารความนับถือแต่ตอนนี้ทำยังไงก็ไม่หายถ้าท่านสามารถทำอุเบกขาได้ทุกข์ก็น้อย เพราะอุเบกขาไม่ได้จึงทุกข์ร้องห่มร้องไห้ห ย, ยกและเบกขาจึงไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าศัตรูที่เราเกลียดนะั้นเอาเบกอุเบกขาง่ายเนียเดียวสาทุโดยสัมปา ย, ยมันอย่างนี้ต่งหากคือจิตของคนเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เรารักเราเคารพเคาัยใจต่างหาังยหล เราต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขควางวิบัตให้แก่ท่านแต่ถ้าหมดโอกาสแล้วถึงขั้นถ้าป่วยก็โคม่าแล้วหรือถ้ามีคดีความก็ตัดสินเป็นสารสุดท้ายแล้วที่จะต้องตัดสินจำคุกตลอดหรือประหารชีวิตเราก็หมดโอกาสแล้วอย่างนี้จึงต้องให้อุเบกขา และอุเบกขาไม่ได้นั่นแหละจึงต้องทุกข์ร้องห่มลงให้เป็นเวลานานและถ้าคนคนนั้นไม่เกี่ยวกับเราหรือถ้าเป็นคนที่เราเกลียดด้วยเอออันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วอุเบกขาง่ายเนิดเดียวระวังจะบาปนณสาทุกข์เขาไม่ได้แอง น, นี้ต่างหากโยมที่พูดอย่างนี้หลวงพ่ออยากจะโยมตีความหมายแต่ละข้อละข้อให้แตก หรือถ้าพอจะช่วยเหลือได้เช่นเห็นเด็กกำลังตกน้ำกำลังอะไรพอจะช่วยได้ฉันไปช่วยเราฉันอุเบกขาอันนี้ยิ่งผิดกันใหญ่อุเบกขาหมายถึงหมดโอกาสหมดวิสัยที่เราจะช่วยเพราะนั้นหน้าพระพรหมตรงนี้ก็คือหน้าให้ความสุขสาราญความอยู่เย็นเป็นสุขและทาอย่างไรการลำเอียงจึงจะไม่เกิดขึ้นบางท่านก็ยังลาเอียงอยู่ ลําเอียงก็มีถึงสี่อย่างห้าอย่างลำเอียงเพราะรักลําเอียงเพราะชังลําเอียงเพราะกลัวลําเอียงเพราะโง่ในี้ลําเอียงก็มีอยู่อย่างคนที่มีหน้าที่จะให้อะไรใครมันจะต้องมียอมมีเล็กๆน้อยๆลําเอียงมากลําเอียงใหญ่ระหว่างเจ้านายท่านก็เอมีลูกน้องเยอะท่านลําเอียงบ้างไหมความลําเอียงนี่ยอมยาก ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะเกลียดมันไม่อยู่มันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละอ่ามันไ ม, ไม่ไม่มากก็อน้อยโยมหรืออย่าอวดนะแตมาอยากจะถามอย่างนี้โยมถ้ามีใครเอาเงินมาให้โยมคนละหนึ่งอให้หนึ่งแสนบาทโดยสิทธิให้เต็มอัตราหนึ่งแสบาทแล้วสั่งว่าขอให้คุณช่วย เอาเงินไปแบ่งให้โรงเรียนรัฐสถานศึกษาใดแห่งใดแห่งหนึ่งแห่งละหนึ่งหมื่นแห่งละหนึ่งหมื่นถ้าเป็นโรงเรียนประชาบาลบ้านนอกก็ให้โรงเรียนละหนึ่งหมื่นสิบโรงอ่าแล้วก็ให้เราเป็นคนเอาไปให้ตามใจชอบโรงเรียนไหนก็แล้วแต่แล้วอยากจะถามโยมดูนิดหน่อยโยมจะให้โรงเรียนไหนอย่าลำเอียงนะ อยากแล้วจะให้โรงเรียนไหนแล้วแต่เราสิแล้วแต่ฉันโรงเรียนไหนที่คุณนเคยกับฉันโรงเรียนไหนที่ฉันชอบฉันรักฉันก็ให้โรงเรียนนั้นใ้โรงเรียนครูใหญ่มันชอบนินทาเราตะ ว, วันไปให้มันทำไมลักษณะอย่างนี้เอามาเทียบดูแล้วก็คำว่าจะอวดลมเอียงไม่ลมเอียงก็ยากเพราะภัยแม้แต่ าบางท่านเราคนนึกว่าท่านยำละย่างลําเอียงไอ้ที่ว่าพอแม่ลําเอียงกับลูกเนี่ยทธรรมดาท่านไม่ลําเอียงดอกคือโดยน้ําใสใจจริงมีลําเอียงก็มีแต่ว่าโดยน้ําใสใจจริงของท่านมีลูกสามคนสี่คนท่านไม่ลออําเอียงดอกคลอดมาท่านก็ดูแลเท่ากันป้อนข้าวป้อนแกงเท่ากันดื่มน้ำนมเท่ากัน ไม่ลำเอียงรักลูกเสมอกันแต่ที่นี้พอลูกโตขึ้นเจริญขึ้นลูกบางคนก็เลือกเกินเลือกอกอลูกบางคนก็ทำให้ท่านลำบากยากแค้นน้อยอกน้อยใจลูกบางคนก็เป็นที่รักที่นับถือแล้วท่านกา็มีอาการตามนั้นเพราะฉะนั้นที่ว่ารักลูกไม่เสมอกันไม่ส่วนอยู่ แต่ไม่ใช่เพราะความผิดของท่านน้ำใสใจจริงดั้งเดิมของท่านท่านรักสม่ำเสมอกันความประพฤติของลูกต่างหากความเป็นตัววางตัวของลูกความประพฤติของลูกลูกต่างหากที่ไปแบ่งความรักของท่านให้ไม่เสมอกันเดีายวไปโทษท่านยให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มันเป็นของหามยากด้วย รา่านกระแสจิตในเรื่องโยมปฏิบัติเรามาตั้งมั่นแต่ทำใจให้สงบอย่างเดียวสงบสงบจะได้ไม่เป็นก็ไม่ผิดหรอกต้องการตรงนั้นแหละแต่ชีวิตประจำวันที่เรียบเรียงไว้เพื่อปฏิบัติให้จิตมันอ่อนน้องเพื่อจะเข้าสู่ความสงบสมาธิภาวนาง่าย ก็เพราะชีวิตประจำวันข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆสั่งสมมาไม่เสมอกันนี่ต่างหากที่ไม่ได้ส่วนช่วยอบรมจิตเล็กๆน้อยๆคอยไปบังคับให้มันสงบไปตอนนั้นเลยมันจึงยากยางว่ามันยากง่ายไม่สมาเสมอกันอย่างนี้ต่างหากที่ว่าย้อนมาให้พิจารณาเพื่อทำความเข้าใจใได้ โดยเฉพาะประเพณีบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่กล่าวมาแล้วเพื่อความเข้าถึงท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้พระองค์ทรงสอนพระศาสนาที่ประเทศอินเดียนั้นอันนี้ก็เวลาก็เดินเร็วเกินไปขอให้นาฬิกาเดินช้าๆหน่อยก็ได้อันนี้ก็จับใจความว่าตรงที่ว่า <c oughs> เรามานึกพระพุทธองค์พระองค์ทรงประกาศพระสาทศาสนาอัตอมาภาพกเสือเกษสนไปที่อินเดียอยากจะรู้จะเห็นตั้งแต่2 5 0 3เยอามัตมาอายุมากแล้วตัววันเออไม่ใช่อายุมากอายุน้อยแล้วตัววันที่ว่าอายุยังน้อยเพราะมันหมดไปแล้ว84ปีมันยังได้ไหม 2-3 ปีข้างหน้า โยมถามมัตตมาหลวงพ่ออายุเท่าไรโยมมัตมาอายุยังน้อยหลวงพ่อหลวงอายุหรือเปล่าไม่ใช่หลงมันหมดไปแล้วแปดสิบสี่มันยังเท่าไรพระโยมนั่งขานาตมานี่อายุยังหลายกว่าตมาเพราะหมดยังไม่มากอพูดตามหลักสูตรที่แท้จริงบ้างโยมเอาอย่างให้เพื่อความเป็นจริงก็คือ ไปประเทศอินเดียตั้งแต่ศูนย์สามไปไ ป, ปมาตุกวันประมาณสิบเอ็ดเที่ยวแล้วไปไประชุมไปบวชนาคบางเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวก็ไปเห็นพระพุทธศาสนาในขณะนั้นลําบากอย่างยิ่งและเสื่อมสูญอย่างสิ้นเชิงจากประเทศอินเดียแล้วทําไมเ อ, อ่ยเกิดที่ประเทศนเดียจึงเสื่อมสิ้นสูญอย่างสิ้นเชิงนั่นคื อ, อยอมประเทศชาติของเขา จับใจความไม่ได้แตมาจับใจความเอาเองว่าเหตุที่ศาสนาเสื่อมจากประเทศอินเดียมีเหตุสามอย่างหนึ่งการเวลา2อ0พรปีกว่าแล้วการเวลาสองการเมือง 3. การศาสนาเองพระสงค์เอง การเวลาก็ธรรมดาการเวลานับพันพันปีอะไรจะอยู่คงที่ได้เอา้าไม่ต้องอธิบายการเมืองอันนี้สาคัญมากโยมการเมืองเมื่อเจ้าเมือง <c oughs> หรือราชาธิราชในบ้านเมืองเขาเลื่อมาสศาสนาใดศาสนานั้นก็ชายโยโหหิ้วไปเลยเพราะการเมืองหรือราชาธิราชเขาเป็นใหญ่ สนับสนุนศาสนาใดศาสนานั้นก็รุ่งเรืองทตนี้ศาสนาในอินเดียมากมายเยอะแยะละทัทธิลทัทธิต่างๆเรียกว่าครูทั้งหยังไม่โ ย, ยงลทัทธิที่ไม่นุ่งเสื้อผ้านั้นก็ยังอยู่ถึงทุกวันในยมไมีอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ประกาศศาสนาตลอดสี่สห้าปีนั้นไม่ได้เสร็จเรียบร้อยราบคาบเหมือนบางประเทศในชาติเราที่ไหน พระองค์ต้องต่อตู้เรือแก้ไขต่างๆนาๆนากับลัทธิต่างๆที่เขาเบียดเบียนบ้างและแม้แต่สาวพก ข, ของพระองค์เองคือชาวอินเดียอยอมพอไปพวกชาวแขกนั้นนิสัยใจคอข่าวในยากลำบากเหลือเกินพระพุทธองค์เองก็ลำบากในการที่จะยับยั้งไม่ใช่ว่าในในพุทธบริษัทภิกษุ ภิกษุเนุบาสุบาสิกาคนที่นับถือศาสนาเอื่นก็อ้าวตามเรื่องกันไปนันธรรมนาต้องเป็นศัตรูกับเราแน่แต่แม้แต่สาวกของพระองค์ในส่วนมากขึ้นมากขึ้นภิกษุณนมากภิกษุสงฆ์มากพระสงฆ์ในยุคแต่ละยุคแต่ละยุคยอย่านึกเลยอัตมาพูดก็กลัวบาปด้วยไม่กลัวด้วยก็พูดตามสัจจะ พระองค์ก็ลำบากในการบริหารแม้แต่บริหารเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ใช่ของง่า ย, ยางก็คิดดูลูกศิษย์ของพระองค์เช่นพระเทวทัตก็ทําอาฆาตพยาบาทกับพระองค์ถึงขั้นลงมือต่างๆนานาพระทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกโยมนี่คือวงในเองในวงเล็บและนอกวงเล็บ นอกวงเล็บ ก, ก็คือลทัทธิต่างๆการเมืองในวงเล็บคือในวงการพระศาสนาของเราเองและท่านเคยจำพระปางเลไลได้ไหมที่ว่าพระพุทธเจ้าระจำมันษาที่ป่าเมลิงเ ม, ม, มลิงมีช้างอุปถาษนั่นคือพระองค์เอาพระสงฆ์ไม่อยู่พระสงฆ์จำนวนมากในวัดเดียวกันนั่น มีความแตกแยกพระองค์ปรอ ง, รองดองมาได้เลยหนีไปสงบนั่นคือความยากลำบากและไม่มีอะไรที่จะลำบากเต้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงพุทธบริษัทสี่ที่รักษาศาสนาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก า, ายมมีหน้าที่สม่ำเสมอกันไม่จำกัด ภิกษุคือพระสงฆ์ภิกษุเนพระสงฆ์ผู้หญิงมาสุบาสิกากา็คือญาติโยมอย่างญาติโยมทุกวันเนี้ไม่มีองค์ไฟไหนสําคัญกว่าพระองค์ให้ความสําคัญเท่ากันท่านทัง้งหลายโบราณวัตถุสิงสประดิสถานหรือวาหมายโบสถ์วิหารเจดี ย, ย์ใหญ่โตนั้นไม่ใช่ของพระภิกษุหากแต่ว่าของอุบาสุบาสิกาไม่ใช่หรือ ที่เขามีศรัทธากับพระสุขที่ดีๆพิสุขดีๆแล้วเขาก็มีศรัทธาเสียสละอย่างแรงทั้งราชาธิราชและทางอุบาสกอุบาสิกาของพุทธศาสนาไม่ว่าต่างประเทศเวีดากองเอยืนในประเทศไทย ล้วนแต่เป็นสมบัติของ อ, ขอุบาสิกาพระสงฆ์เพียงแต่ผู้ทำรงไว้ประธรรมในนายเพื่อรักษาศรัทธาญาติโยมถึงกระนั้นก็ยังพลังเผลอโดยรักษาศรัทธาญาติโยมมาอยู่เป็นเหตุให้ญาติโยมเสียศรัทธาไปเมาหมายไม่ใช่โจรตยโยมพูดแบบปรับทุกกันถือว่าญาติโยมนี้เป็นชนชั้นปัญญาอาจจะมาแบ่งออกชั้นศรัทธาได้แต่เชื่อเชื่อทำ บุญใดบุญตำบาปได้บาปตำบุญไปสวนตำบาปตุนรกอย่างญ่ายายทั่วๆไปในประเทศเชื่อแค่นี้ก็พอท่านกลัวบาปและอยากได้บุญก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะตั้งโย่ส่วนพวกเราท่านทั้งหลายขนาดนี้อตาตมาถือว่าเป็นชนชั้นปัญญาอตาตมาจึงพูดอย่างนี้ว่าเป็นชนที่คิดด้วยปัญญาไม่ทำบุญได้ไหม ทำอย่างไรจรึงแก้ได้บุญได้กุศลพระสงฆ์องค์ไหนบ้างที่เป็นผู้เดินแนวทางที่ถูกต้องตามพระธรรมมาเป็นนยตามกระแสธรรมเปนนยองค์ไหนบ้างที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่โจมตีแต่ว่าโยมรับเราท่านทั้งหลายเป็นชนชั้นปัญญาเพราะฉะนั้นพระศาสนาจะอยู่ได้ต้องอาศัยภิกษุภิกษุณีุบาสกอุบาสิกา เดี๋ยวนี้ญาติโยมมาตั้งชมรมนั้นอยคือช่วยเหลือพระสงฆ์เอาเฉพาะพระสงฆ์ไปไม่รอดโยมต้องเอาญาติโยมที่เข้าใจหลักธรรมเข้าใจหลักวินยัยช่วยกันคำจูชื่นชื่นยกย่องซึ่งกันและกนันแนะนํำซึ่งกันและกันศาสานาเราจึงจะอยู่ได้บัดนี้เสื่อมหมดทั่วโลกแล้ว ก็มายัางเหลืออยู่ที่ประเทศไทยแดนธท ร, รมแดนทองเพราะนั้นท่านจึงหลายอุบาสุบสิกาวันนี้ในสำนักงานนี้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต้องการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ยินดีแค่ทำบุญบริจาคทานถวายของ หากแต่ว่าต้องการประพฤตปฏิบัติยกระดับจิตของตนให้เข้าใจลึกซึง้งลึกซึง้งจนเข้าสู่สมาธิปัญญาราธนาครูบาอาจารย์ล้วนแต่วัดป่าวัดประพฤตปฏิบัติแล้วท่านก็มาแสดงทำโดยตลอดเพราะนั้นที่ตมาภาพพูดอย่างนี้เป็นการพูดปรับปรุงพูดย้อนหลังหรือพูดอะไรเพื่อเป็นเหตุ เกื้อกูลซึ่งกันและกันโยมจะว่าเอาดวงตานี่ทรงภาวนาไม่เป็นเสล็ตมั่งจึงมาพูดอย่างนี้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่โยมแต่ต้องการเรียบเรียงให้ทราบว่าคืออะไรและอย่างไรและเราจะต่อสู้อย่างไรต่อไปอย่างนี้ต่างหากนี่คือกระแสธรรม สำหรับปันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามหน่วยตามเหตุการณ์ที่เหมาะสมตีดีงามเพื่ออย่างพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนในการต่อไปทำบิกาถาพอสมควรแก่เวลาเอหวังก็เมีด้ยประกาศเฉริสาธุ